หนึ่งเห็น i, บ้านก็เราเอาใลแต่น้องทีไปลงไปข้างล่างดีไหมใจปูปู <c oughs> เห็นว่าใจปูหรือเราก็ปูตามใจย อ, <c oughs> อมมันยอมโูสักหน่อยนะยัไงเป็ดจิยงไง เห็นครูบาอาจารย์มาเนาะก็มันดีใจนะหรือว่าบางทีก็รู้สึกมีอะไรนอกจากดีใจมีอะไรมีใครมีค็รู้สึกอะไรมีบอะครับตัดซึม เป็นกำังใจให้เราเป็นกําลังใจให้เราเพียรมากขึ้นอันนั้นคื อ, อ น, น อ, อันนี้คือความคิดนะความรู้สึกเช่อดีใจมีปิติ อ, DJ, อ น, นี้คือความรู้สึกนะเราก็เราก็ต่อมาเป็นความคิดเลยวนะ่าเออเรามีกําลังใจหรือว่าเราจะต้องคาดเพียรขึ้นเห็นไหมว่า ปฏิกิริยาของใจบางทีมันมันต่อเนื่องนะมันเกิดความรู้สึกก่อนอีควารู้สึกดีใจแล้วก็นะี่ยน้องก็มาถูกการคิดนะแต่นี่ก็เป็นการคิดในเะชิงเชิง็นการกระตุ้นตัวเองะให้กําลังใจตัวเองว่าจะได้ไม่ประมาทถ้าคิดแบบนี้ก็ก็พอได้นะะได้ไม่เป็นไรนะแต่บางที ปฏิกิริยาของจิตบางทีมันเร็วนะเช่นไม่พอใจสมมตินนะ<ม>เจอคนที่ไม่ถูกใจเราก็คิดแบบอันคิดโกรธเขาเนี่ยปรุงแต่งต่ออารมมันก็เกิดขึ้นใชนะ่ไหมอันนี้คือปฏิกิริยาของของจิตเวลาเรากระทบไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบแต่นะด้านบวกเราก็เราก็รากระทบแล้วถ้าเรารู้ทันก็ ก็ดีแต่ถ้าไม่รู้ทันอาจจะบงคนก็เหมือนเจอดาราเนาะคิดคาอันนี้ไม่ได้ไม่ยะแย่แจ้งคนจตถึงเราดูเฮ่ททำไมแบบดาราเกาหลีมามาเมืองไทยคนมาต้อนรับเยอะมากใช่อืมทั้งทั้งคุยันก็ไม่รู้เรื่องนั่นใช่ไหมแตไปเต้นเต้นสนามบินนะมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราได้เห็นว่าความ ความชอบนะมันก็พาพาใจทใี่มันปลูกนะหรือเวลาคอนเสิร์ตเวลาอะไรก็ร้องกั น, นสนานกันแล้วเป็นไงบ้างอันนี้อันนี้เป็นความเข็นก็ได้นะนอกจากความความรู้สึกหรือว่าความความคิดความเข็นก็ไดอ้อย่างเขียนอาจารย์สคนมาในรู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงคตอบ เคยเห็นตั้งแต่ตอนเลยจงกมอยู่ตนนรงนี้ละใจเป็นยังไงเราอยู่ขั้นบนอาจารยอยู่ขั้นล่างรู้สึกวิผมอยู่ขนล่างใจเราไปอยู่ข น, น, น, น, น, น, นล่างก่อนนะตัวผมเลยขอตัวเลย <c ười> แล้วพอรู้ตัวว่าตัวอยู่ขันล่างแล้วมันเป็นยังไง คืเห็นแแกแก็ลงไปเลยหรือว่าก็ยังไม่ลงหลายเือ น, นี้เราฝูไปเด็อ า, าจารย์ผมเลยไี่สิบร า, าก็เลยไม่บท่านาาาก็ไม่ด้ใจว่าอาจจะไม่เจอออีกีใจก็ตัวยีิบา <c oughs> ออคือเห็นแรกแตกก็ลงไปเลยเนาะไม่ทันดียังกัดค้งองค้างเลย มันอาจจะเป็นความปรารถนาของเราเดู่แวปรารถนาที่อยากจะอยากจะพบอาจารย์ทุกคําพนก่อนก่อนที่อาจารจะไม่อยู่เลยเพระอารย์ไมอยู่ก็ได้ใช่ไหมก็ที่จริงก็มีนะอย่างอย่างพรนะพุทธเจ้าแล้วก็บางทีก็มีหลายคนอยากจะพบท่านมากไปพบ วิ่งมาเล ย, ย น, นะจากไกลๆนะมาพบท่านมาพบก็อยากจะถามธรรมะให้ท่านตอนธรรมะเลยข้อแต่ว่าเจ้าท่านก็จะดูอาการอืถ้าบางคนแบบใจร้อนหรือว่าแบบนี่ร้อนเอยากจะถามอยากจะรู้ธรรมะท่านก็ให้เบรกก่อนนะให้เบรกให้ตอนนี้เป็นเวลาเราบินท บ, บานอยู่นะเดี๋ยวดอกก่อนคือนะที่จริงก็เป็นอุบายอุบายบางที ถ้าใจเราฟูมากเกินไปบางทีกม็มันไม่พอดีธรรมะมันก็มันก็เหมือนมันติดปิดติหรือว่าติดความพึ่งใจนระัมันก็บางทีฟังธรรมมันก็ไม่ทำไม่เข้านะเพราะติติมันขวางกั้นนะติดติขวางกั้นแต่ก็ถ้าใจเร า, ากลับมาเป็นปกติเนี่ยนะมันก็จะสูามธรรมะก็จะสูนซับเข้าไปเรืงง่ายนะ แต่นี้ก็มันก็ไม่ได้ไปฟังทำอะไรมากมายนะไปไปพบปะไปถ่ายรูปก็อย่างนั้นก็ดีนะอะอย่างนั้นก็ดีได้เป็นเพื่ึกไว้เนอะในช่วงหนึ่งในชีวิตเราในช่วงแตท้ายชีวิตเราหรือแต่ท้ายชีวิตอาจารย์ตรงนี้นะ <c oughs> อลยได้ถ่ายรูปูกันบ้าหน่อยก็ดีนะเป็น เป็นกําลังใจให้กับเราเนี่น้อยเราก็เห็นตัวอย่างคนที่เดินทางก่อนเราเนาะเดินทางเดินทางธรรมนะนะก็าอาจจะเดินทางของัจสนรอีกอย่างหนึงนะ่งเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแต่เราแต่เราก็เห็นตัวอย่างว่าอืมแม้แต่คนพิการแม้แต่คนที่เขาเรียกว่ามีอุปสรรคมากกว่าเราหลายเท่านะ เขก็ยังปฏิบัติทำได้อาจารย์อชอบเล่าให้ฟังนะว่าแบบตอนปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยคือต้องนอนปฏิบัติคนเดียวนะก็ม่วงก็ม่วงนะมน่วงก็ม่วงแต่ก็แค่นอนพลิกมืองหนะ้พลิกมือคว่ำเนะี่ยมันม่วงก็ต้องคล้ายๆต้องข่มคล้ายๆคดทนนะต้องอดทน จะกันติมามาสู้ความง่วงเยอะกวเราเราง่วงยังเดินก็ยังได้นั่งก็ได้อาจารย์ง่วงก็ปิ๊กมือตอนนี้ยอาจารย์บอกปฏิบัติอย่างน้อยในรูปแบบวันละหกชั่วโมงอย่างน้อยนะวันละหกชั่วโมงนอกรูปแบบก็แบบหาเรื่องทําเช่นพักห่มพักไว้ดีแล้วแต่เช้ามัน มันคล้ายๆอาจจะแก้อารมณ์นะก็ขี้ข้าห่มออกใหม่แล้วก็พัเข้าห่งใหม่อลยประมาณนี้อยู่งทีก็กระพิตาบ้างทำผาดบ้างเะไมีบางรูปนะมันพวกเราบางคนไปดูกระดิกหูก็มีนะคืออุ ป, ปรกรณ์น้อยๆบนใบหน้าแล้วก็ช่วงช่วงไหล่นะเอามาเป็นอุ ป, ปรกรณ์ในการนะฝึกสติ แต่ทำมาแล้วหกชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างอาจารย์ก็บอกบางทีแบบตอนจะนอนอนู่ยไม่รู้จกแขนวางแล้วไหนมันปวดไหล่ปวดแขนนันหมดเลยก็นอนไปเพราะว่ามันแต่ก็อาศัยศรัทธามีศรทัทธาที่ที่ต้องพ่อเขียนถ้าต่อบว่าคนพิการก็ปฏิบัติทำได้นะถ้ารู้สึกตัวอยู่ก็นะพลิกมืองา่ายพลิกมือคล่อง ให้รู้สึกนะแต่หลวงอก็จะย้ำนะไม่ใช่เข้าไปอยู่นะให้รู้สึกให้รู้สึกเฉยเฉยอย่าเข้าไปอยู่นะอย่าเข้าไปอยู่ในการเคลื่อนไหวอย่าเข้าไปอยู่กับกับไอ้แขนทิพท์นะให้รู้เฉยเฉยอันนี้คือหลวงพ่อ บ, บอกเคล็ลับสั้นๆนะแต่จาย์เองตอนเป็นบัติใหม่บางทีมันก็บางทีก็ไม่ไม่รู้สฉยเฉยนะก็บางทีก็ตั้งใจเกินไป อาจารย์เราสอนประมาณช่วง แ, วกแรกๆทาแล้วก็คุ้งคุ้งนะตอนหลังก็เพ่ง <Okay. S 1> เพ่งอ่าแล้วก็ต่อไปก็ค่อยๆพอดีพอดีอหรือบางทีอมีข้อสงสัยก็เขียนจดหมายไปหาหลวงพ่อเขียนแต่จดหมายพอจะไปตื่นหลองพ่ อ, อ ก, กอ็ก็จะตอบกลับมานะแต่ที่สงสัยก็เฉลยด้วยตัวเองลนะ <c oughs> ไม่ต้องดอกมือถึงว่าคําตอบที่หลวพ่อเขียนกลับมาก็ก็คล้ายๆทีท่พิจารณ์เข้าใจนั่นแหละแต่ประมาณว่ามันก็ทําให้เห็นว่าที่จริงไอ้ความสงสัยอ่ะพอเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเด๋ยมันก็เฉลยเองอืเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองก็มีแต่ตอนนั้นก็คิดถึงครูบาอาจารย์แล้วก็เขียนไปแต่ก็เขียนไปแล้วก็ไม่ต้องรอคําตอบจากท่านท่านั้นก็แล้วก็ ปฏิบัติทำไปด้วยก็เปิดความเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาจารย์บางคนเนาะแดดตุ้มแสงจริงๆแล้วเมียเนี่ยจะเสริมพวกเราปฏิบัติเป็นยังไงบ้างอยู่ข้างบน อยู่อยู่ข้างบนก็เห็นชั้นสี่นะคนที่อยู่ข้างบนก็แข่งขันกันนะไม่เห็นเครงร่า ง, างไม่ทราบเป็นไงท่านนะ้อแข่งขันกันหรือ ก, ก็ไม่รู้ <Okay. S 1> แต่ก็ดูดูจากดูจากคนที่อยู่ข้างบนไม่กี่คนก็ก็เห็นแข่งขนันกันดีมากนะตั้งใจกันแล้วก็ ดูดูเหมือนกับบางใจ บ, ใจบใจ <c oughs> างกายกันได้ดีก็เหมือนกับคล้ายๆเห็นกันมาตั้งตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆจนถึงวันนี้ก็ดูเข้าที่ก้อาทางมา <c oughs> อย่างเขาเรียกว่า เยเมื่อกี้สิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นไม่ไ ม, ไม่สรางเห็นด้ความเจ็บป่วยของาจารย์น้องผไหม่นั่ น, ะ <laughs> นจะเราชิดหรือเราเราเห็นทน <laughs> ้าทนเลเ <laughs> พราะว่าดูดูจากสีหน้าท่าทางอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกตินะเ <laughs> พราะว่าอะไรเง้นก็เลย ก็ อ, อย่างหนึ่งช่วงนี้ของโรคไข้แพ้เจ็บก็น่าจะเป็นช่วงช่วงท้ายมากๆลนะช่วงท้ายมากๆอย่างอาการอาการท้องท้องที่บวมขึ้นในช่วงในช่วงประมาณสิบวันเนาะสิบวันหรือประมาณขนาดนี้ละก็มันมีการขยับขยับตัวขยาดขึ้น แสองเซนแล้วก็ขยายขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนนี้เหมือนกับในการว่ามันก็เคยมีการขยายขึ้นขยายนาดนี้แล้วก็พอให้ยาก็ลดแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับให้ย า, าหลายครั้นไม่ลดมันก็อาจจะ ก, ก็อาจจะเหมือนกับข้างใ น, นมันอาจจะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในต่างๆซึ่งซึ่ ง, งในเรื่องของปาก ก็อย่างช่วงที่แล้วช่วงต้นต้นปีช่วงต้นต้นปีประมาณกุมภาพันธ์นายนช่วงนั้นก็เหมือนกับว่ามันเป็นการขยับตัวทีนึงแล้วใจก็ขยับขยับตัวย่างติดซายึกดขวาอะไรต่างๆนานาหลานี้จะเจริญากมากแต่ว่าตอนนี้ก็ ดีขึ้นมาที่ร่าง้อแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับเหมือนกับการเข้าสูจา่จังหวะที่ที่ติดตัวยาก็ดู <c oughs> สีหน้าดูสีหน้าดูแต่ในหลังนี้ก็ดูจารย์ก็ดูกกสดใส <c oughs> สดใสนะฮะจิตสดใสแม้การป่วย <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นถ้าเรียก เหมือนก็เป็นมันก็เราเราได้เห็นนะได้เห็นตัวอย่างของของการปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งที่อย่างนั้นก็ตามเราก็ต้องเจอเนาะใช่ไหมครัความเจ็บปวยอะไรต่างๆเหลานี้อะไรเนี้ยคือหมอเหมื๋ก็ช่วยไม่ได้นะใช่ไหมครจบตอนสุดนี่ก็หมอก็ร้องตัวอาจารย์อยู่ยิ่เหมือนเดี๋ยวคนนั้นก็มาเดี๋ยวดีนี้ก็มาอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยการเจ็บป่วยเนี่ยซึ่ง ผู้ป่วยเองก็ต้องเจรนะิญนันก็ต้องเจชิญเผชิญกับตรงนี้มันก็ยาอะไรต่างๆก็ช่วยไม่ได้นะมีกรรมาฐานนะฮะที่จะช่วยได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พวกพวกเราได้เห็นนะที่ไปได้เห็นอาจารย์กำพลก็มันก็รู้สึกดีใจก็มีคำของโมกคนละสูตรนะ เนี่ยได้พบเห istles, ็นผ да. ู้สรบจากกิเลสเนาะก็มีความรู้สึกว่าอ๋อพี่นะนี่นะก็โชคดีที่เราได้ได้เห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็ได้เห็นอ๋อนี่นะคนปริบัติธรรมีผลแบบนี้ใช่ไ้ยฮะอถ้าเราถ้าเราทํำทำไปเราก็หน้าที่จะเหมือนกับว่าเออคือน่าจะหลุดรอกปลอดภัยได้เหมือนกัน มีอะไรนะคืมีคำถามในการปฏิบัติของเราก็ที่จุดมาจากน้อก็เปิดโอกาสให้พวกเราเหมือนกับบ้าได้ได้สอบถามช่วงนี้เนาะใช่มหมครับ ม, มีไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดี๋ยววันนี้ก็จะปฏิบัติกันใช่ไหนครับปฏิบัติกันอาจจะดึกกว่าปกติหรือในาตานาน อาจจะต้องใช้ความเพียงที่มากขึ้นอาจจะใช้อะไรต่างๆแล้วก็เหมือนกับบทวัดจานเนอะอาะเพี้ยนแ้นั่นคือตรงนี้โอกาสนี้เป็นโอกาสถามโอกาสถามจะถามอะไรไหมหรือว่าพร้อมแล้ว รู้สึกยังไงในขณะที่เรารู้สึกว่าไม่คิดเรารู้สึกยังไงในขณะที่มีความคิดเกิดขึ้นมาเยอะมากเร า, ารู้สึกยังไงสิ่งที่เราเห็นนะก็พยายามจะเป็นผู้ดูสิ่งโดยช่วงที่ต่ำมัมีโอกาสราประเมินเองโอกาสทีสว่า คือในควาเมเป็นจริงแล้วก็คือไรืช่ชงการเราเราเองเนาะหมายถึงว่าณขณะที่เราเดินสภาวะที่เราพบเนาะเ <c oughs> จอกับสภาวะที่เราพบทําให้เราดีใจเสียใจทําให้เราเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่า <c oughs> เพราะว่านั่นคือมันก็เหมือนกันสภาวะก็ไม่ใช่ เป็นสภาวะที่จะต้องเหมือนกันทุกครั้งใช่ไหมครัออนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราพอใจไม่พอใจหรือรอะไ ร, รตา่างๆตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ที่เราคอยคอยดูมากกว่าใช่มครับเเบ้าพอใจจะมันเมื่อยมาก ที่ต้องันมันมันโผล่เป็นไหวเมือยครับคือตรงนี้ก <Right. S 1> <it>. ็เป็นเรื่องที่ที่เป็นเรื่องที่เราวรุ่นตามจิตเนาะเจริครับเนี่ยรุ่นตามจริตในเรื่องของการเดินอะไรเงยก็ให้เราได้ประเมินนะเสมุติสมมุติประเมินตอนที่เราเดินมานั้นสองสามชั่วโมงไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยเนาะเจริความเมื่อยก็เป็นสัญญาณที่อาจจะเหมือนกันว่าเป็นสัญญาณที่บอกให้เราพักเจรยครับพัก หยุดนั่งหรืออะไรในแว่นตาคือตัวนั้นก็เป็นคล้ายๆว่าเรามีการเอาไว้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับการก็คือสัญ ญ, ญาณบอกเราที่เราจะเข้าเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เหมือนกับว่าเรากําลังใช้เครื่องมือ น, นี้ในการที่เราทําความรู้สึกตัวกันถูกไมหลัเ้ยเมืม่อเขาส่งสั ญ, ญญาณบางอย่างเหมือนแบตเตอรี่หมดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องเสียดพลักระว่านนั้นนั่งคือตรงเนี้ย นั่นนั่นคือสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้เขาในส่วนที่เกิดขึ้นกับจิตก็เหมือนกันใช่ไหมครับในในมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเข้าไปเรียนรู้ครับอย่างที่เราพอใจไม่พอใจหรือว่าเราเห็นเขาใช่ไหมครับแล้วก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ มากวัดอย่างหนึ่ ง, ง, งว่าเราเพลงเข้าไหนมากไปหรือเปลคือผมอันนี้คิดเองนะคือเราเยังจะได้มีเสียงรอบตัวอยู่ก็อันนี้คงใช้เป็นมากวัดได้ไหมครับเช่นเสียงนกยอเสียงรถอะไรอย่างเงี้ยมัน ก, ก, กไไ็ไม่ไม่เสนเอไปนะ ไม่ไม่ไมเกี่ยวบางทีขณะที่จิตมันมันเป็นการเป็นพิจารณาธรรมมันอา จ, จไม่สนใจข้างนอกก็ได้ก็ไม่ไม่ใช่ว่าการการได้ยินเสียงข้างนอกจะเป็นเป็นมาตรฐาน น, านั้นแต่แต่ที่จริงก็มันต้องรู้ที่สะภาวะจิตจริง มไม่สนใจภายนอกแันกลังสนใจสภาวะธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงภาในใจมันอาจจะไม่ได้ยิ น, นอะไรมันก็ไม่ผิดนะแต่สยโยมก็ถ้าสังเกตว่าเดินจมกรมแล้วมันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยอะไรเลยก็ก็อย่างที่ไว้แรย์พุ่มว่าแหละคือบางทีเราอาจจะสงสัยหรือบางครั้งาเปิด ค, ความชอบใจนะสมมตินะ อะไรก็ได้ให้เรารู้ทันสภาวะหลังจากที่เช่นพอเราเดินนานๆแล้วมันมันไม่คิดเราสงสัยให้รู้ทันว่ากำลังสงสัยหรือว่ามันชอบใจก็รู้ทันว่ากำลังชอบใจอันิดตสำคัญกว่าแต่บางทีมันไม่ใช่ว่ามันไม่คิดหรอกแต่บางทีเราอาจจะไม่เห็นก็ไะ้มันอาจจะมีอยู่นะบางทีความคิดมันต้องมีแบบ แวบๆ แ, แต่เช่นที่จริงแค่แค่ตาเห็นอะไรบางอย่างมันทีจริงนก็อาจจะแว บ, บไปล้แต่เราอาจจะไม่ทันส่วนที่มันละเอียดแบบนั้นก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปอย่าไปซีเรียสมากแต่ถ้าน่าว่ามันพุ่งตานะ้านนะก็คาดพุ่งเราก็รู้คุ้งแล้วก็รู้ ก, รก็ไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยมือพุงอ่งก็รู้สึกว่า ก็เนี ừ, <c oughs> ่ยเราคนเก็บเราอาจจะชอบแบบหนึง่งชอบแบบสิ่งสำคัญใจเป็นการกับทุกสภาวะสำคัญที่สุดนะคือม <c oughs> ไม่ว่าจะฟุ้งหรือว่าสงกใจะใ จ, จะเป็นกลารเป็นได้ของโยมอาแดร์รู้สึกแบบนี้แต่บางคนอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นบางคนอาจจะมไม่ชอบที่มันฟุ้งชอบที่มันสงบนะบางทีความชอบตวามไม่ชอบแต่ละคนไม่เหมอือนกัน แต่สิ่งที่ทำได้จริงๆคือใจเราเป็นกลางใจเราตั้งมั่นกับสภาวะไม่ว่าจะดีใจเสียใจยังนะเราสามารถมั่นคงได้แต่เราก็เห็นนะไม่ใช่ว่าจะต้องคงว่าเฉยๆเช่นว่าเจอคนที่เรารู้สึกอ่าเขาก็ศรัทธาอย่างนอาจารย์ประพลมหาหานะี่ก็ไม่ใช่ว่าแบบจิตมันต้องเฉยแต่เราเห็น เช่นเห็นความดีใจเกิดขึ้นเห็นปิติเกิดขึ้นอนไรนะหรือเจอคนที่เราเคยเทะลาะกันมันก็อาจจะไม่ใช่เป็เฉยแต่ให้เราทําเวลาจิตจิตมันเกิดความไม่พอใจหรือมันมากก่าความไม่พอใจมันไปปรุมแต่งความพูดปรุมแต่งความคิดต่างๆในจิตเลยนยะให้เรารู้ทันอันนี้คือการเรียกว่าตามรู้สภาวะจิตเนาะไม่ใช่ว่ามันจะรู้แต่อาการเฉยๆ แต่อาการดูเนะี่ยมันจะคล้ายมันก็เป็นอารมณ์นะมันก็เป็นอารมณ์ที่เหมือนเป็นทางผ่านเนาะให้เราปฏิบัติทำเหมือนอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตเนะี่ยเหมือนทางผ่านเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินทางผ่านนะผ่านที่นั่นที่นี่จริเราต้องผ่านไปเลยแม่ว่าจะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้สึกตัวก็ผ่านไปผ่านไป เราเหมือนเราบางขนาดมันก็ลาบเรียบบางขนาก็ขุกระบางขนาก็เหนื่อยนะก็มันชันนยบางขณะก็ยั่วยวนนะทางผ่านเช่นเราเดินในห้างน ะ, นะกระเป๋าอาจะยั่วยวนบางคนเแต่จะไม่ยั่วบางคนยังไงของกินอาจจะยั่วยวนเราแต่อาจจะไม่ยั่วยวนคนที่กินแล้วมันก็ไม่เหมือน แต่ให้เราเห็นมันเนี่ยมันเหมือนทางผ่านการเดินทางป ฏ, าปฏิบัตการปฏิบติทางก็เหมือนการเดินทางผ่านไปเรื่อยนะทุกอารมณ์นี่ยไม่ว่าจะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีหรือว่าการเจอสิ่งกระทบในนอกรูปแบบก็ดีให้เราทำเหมือนเป็นทางท่านผ่านไปเรื่อยนะทิ้งอารมณ์เมื่อสักครู่นี้นนไว้ข้างหลังเห็นแล้วก็ทิ้งไปต่อมาเห็นสิ่งใหม่ก็รู้แล้วก็ ให้เราทําำแบบนี้ น, นะไม่ว่าจะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีหรือนอกรูปแบบก็ดีนะเหมือนหน้าที่เราคือเดินทางรู้สึกตัวไปเรื่อยรู้สึกตัวไปเรื่อยอันนี้คือเราจะแยกแยะได้ว่าอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งอารมณ์เหมือนเป็นสิ่ขงข้างตัวนะแต่การเดินทางของเราคือเอาใจรู้สึกตัวมันจะแยกกันอ้อคิดก็คิดเรื่องของมานคิดก็เหมือนเหมือนเป็น ร้านค้าหรือเป็นป่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้างทางเหมือนด้านบวกด้านลบนะมันก็มีแค่สองด้านขุศลกับอกุศลแต่ทางสายการนี่คือการเดินผ่านไปเรื่อยผ่านทั้งขุศนฝั่งทั้อกุศลนไม่ติดนะะมันแต่มันมีอยู่นะมันมีทั้งสองข้างทางนั่นแหละแต่เราผ่านไปเรื่อยตคนใ ห, ใหม่ๆก็ต้องฝึกผ่านตั้งแต่ความม่วงนะ <c oughs> ความม่วงความสงสัย ความเบื่อแต่ถ้าคนเก่าๆบางทีอาจจะความผ่านความสงบผ่านความรู้ผ่านความเทินอะไรเนี่ยก็ต้องผ่านไปเรื่อยเยนาะ รู้สึว่าความรู้สึกตัวมันมันออดจนเหมืไม่รู้สึกตัวเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่ากำมือแบมือเฉยเฉยเนี่ยรู้สึกตัวดีกว่าไม่อยากยกมือเพราะมันมีรู้สึกอะคก็เปลี่ยนบ้างก็ได้ขนาดบางขนาดมันมันผ้าผ้ามันไม่ตื้นชัดต้องเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนกำมือแบงือทุบขาอะไรก็ได้นะพี่เรารู้สึกว่ามันมันเรียกความรู้สึกตัวได้ ไม่จีบหรอกนะแต่ก็แต่อย่างมันต้องระ่าลางอย่าไปอย่าไปสงสัยอะไรมากว่าที่ทสไมัยไม่รู้สึกเลยนะไม่สงสัยแ่เปรตมาลองทําแล้วไม่รู้ว่าจะโอเคไหมได้ถ้าถ้าท้าไหนที่มันมันไม่ไปทาร้ายตัอื่น <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เป็ <c oughs> ไปทุกข์รังตัอื่นเพราะเราอยากจะรู้สึกตัวแต่เพื่อนอาจจะไม่ชอบเห น, นั่นเองก็ทํา คือหาการเคลื่อนไหวแบบที่ตัวเองรู้สึกด ไ, ดได้ใช่ไหมคะอะไรก็ได้ได้ไไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายตัว อ, อือ่นก็คงประมาณนี้ก่อนเนาะถ้าใจอะไรก็ลองปฏิบัติ ที่จะลองลองทําดูก็ต้องอมันก็นี้รอบ น, นี้ก็ไม่ได้บอกอะไรอะไรมากก็อย่างที่เรได้ลองได้ทดําดูเอาการจะทำเนะี่ยเป็นตัวสอนเราเองนะคือมันจะบอกเองนยมถ้ามันทำแล้วมันเครียดแตดงว่าเราตั้งใจเ็กินไปนะถ้าทําแล้วมันฟุ้งไม่รู้ตัวไหลไปแสดงว่าเราความตั้งใจมันน้อยเกินไปเราก็ประนะับหนัะ แต่ท่าทางแล้วบางทีมันก็ง่วงมันก็เบื่ออะไรอันนั้นต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรสมเดิมอย่างเดียวนะแต่มันให้เห็นว่าที่จริงถ้าเราทนสักหน่อยเราสู้สักหน่อยนะสักพักมันมันก็จะหายไปนะมันก็จะไม่ง่วงอ่ะไม่เบื่อล้างท่าทาได้เรื่อยๆอันนี้มันก็เป็นทางที่เหมือนเราต้องต้อง อาศัยความเข้มแข็งตรงนี้สัไหน่อยเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นตัวทดสอบเราในช่วงแรกๆนะว่ามันเราจะท้อหรือเราจะถอยหรือเราจะสู้นะมันวิธีการภาวนามันก็จะยากกว่าแบบทำบุญนะทำบุญถวายเลยมีความสุขดีใจแต่มันก็จบนะความสุขนั้นก็จบแต่การภาวนามันเหมือนต้องมันต้องทําด้วยตัวเองนะอืคล้ายๆเหมือน ทำบุญคล้ายๆเหมือนมีมีคนเอาเงินมาให้เราดีใจเราดีใจได้เงินแต่เราทํางานแล้วได้เงินเดือนหรือได้อะไรของเราเองมันมันเงินก็ได้นะความภูมิใจที่เราได้ทําด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราก็ได้มันจะรู้สึกเออเงินเนี้ยเราก็จะใช้อย่างเทะนุถนองแล้วก็ไม่กระลื้อกระได้เนยอันนั้นการภาวนาเเหมือนเราต้องทำด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเน อาศัการกระทํำนะค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆนะ่ะสงสัยก็ถูกแล้วล่วงก็ถูกแล้วนะคนที่ปฏิบัติธรรมก่อนเนะี่ยผ่านพวกนี้มาหมดแล้วแต่บางคนก็ยังผ่านไม่หมดนะผ่านแล้วก็ยังวนกลับมา <c oughs> บางทีมันเหมือนเหมือนเข่าวงกฏนะเหมือนยังยังไม่เห็นปลายทางจริงๆบางทีก็อาจจะวนบ้าง แต่วนยังไงถ้ารู้ว่าทางที่จะกลับมาให้ถูกก็คือการกลับมามีสตนะิการไม่ไปอยู่บความคิดเนะี่ยมันจะทำให้เราไปข้างหน้าต่อนะแต่มันมันก็เหมือนเป็นด่านนะเหมือนเป็นทางแยกมันก็จะมีแยกนี้กลับมาถูกแล้วไปข้างหน้าจะมีซ้ายหรือขวาแล้วก็ลํานะเลตั้งไหนนะแต่ที่จริงถ้าเราสังเกตดูการดินา ใจของเราเนี่ยแหละว่าขณะที่ทำถ้าถ้าใจมันเป็นกลางมันเห็นมันเห็นอาการต่างๆแต่เราไม่เข้าไปเป็นกับมันเนี่ยแปลว่าเราหมาั่นบุตรทางนะแต่ถ้าเรายังยังชอบยังไม่ชอบยังรู้สึกว่าอยากไม่อยากได้อันนี้อยากจะได้แต่อันนี้แต่ว่าใจเราไม่เป็นกลางนะก็สังเกตดูแม้แต่คนเก่าก็ดีนะอืม ก็คือต้องทำแล้วก็วางแม้แต่ตัวรู้ก็ต้องวางนะอืมรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางสงบแล้วก็วางอะไรนะทำไปเรื่อยๆเพราะจริงปลายทางของการภาวนานะสิงก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนะก็ก็พัฒ น, นาให้เกิดพวกนั้นแหละแต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านสอนนะมันต้องตัวสุดท้ายจริงคือตัววิมุติ คือตัวหลุดพ้นะหลุดพ้นคืออะไรก็วางทั้งหมดนั่นแหละมันมีแต่ไม่ไปยึดนะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะสัพเพธรรมานาลัางอภินิเวศนยะทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะนะพูดแบบนี้แต่สับสนเบื้องต้นไม่ใช่ว่าไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ต้องมีศิ่งอะไรไม่ใช่นะอืมนะีนะ แต่ไม่ยึดมัต่างกันเนาะเหมือนคนมีสมบัติอ่ะมีแต่ไม่ไปทุกพรสมบัติมันก็ใช้สมบัติได้อย่างเป็นเจ้าของหรือว่าใช้ได้อย่างให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าเรายึดแล้วก็ห่วงแล้วก็ห่ว ง, แ ล, ววงแล้วก็ไม่สบายใจใช่ไหมมันมีแต่เราถ้ามันจะหายไปถ้ามันจะให้คนอื่นไปก็ไม่เสียดายอย่างเงี้ยอันนี้คือมีแบบนี้เนาะเรามีสิ่งมีสมาธิมีปัญญาก็มีเพื่อเอามาใช้ไม่ใช่ มีเพ <elim> ื่อเอามาแบกแล้วก็ก็ฝากไว้นะก็เดี๋ยวก็ทำวัดเย็นหกมงเย็นนัก็แล้วแต่พวกเราอาจจะค้องน้ำอาจจะมีน